50 languages. s e v e n t y e i g ร t Ektaar. Tōnggān. y อ Kùch j i อุ่มโลกฟุตบอลเล่นน่าจะห์คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมอกทุมโลกดตงเคป้าสจจะหอต้องการอยากจานาดิฉันไม่อยากมาสายแม่ดี๋ยวเซอานจะเหดิฉันไม่อยากไปที่นั่น แม่ว่าห้าจานาไม่ใช่จัตตห์ดิฉันต้องการกลับบ้านแม่ घ กห้าจานาจัตหดิฉันต้องการอยู่บ้านแม่ทก่าจานตตาหดิฉันต้องการอยู่คนเดียวแม่อเคล่าหูน่าจัตตาหคุณอยากอยู่ที่นี่ไหม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 คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะคุณอยากไปดิสโก้ไหมคุณอยากไปดู च นังไหมคุณอยากไปดูหนังไหมคุณอยากไปดा च นังไหม คุณอยากไปร้านกาแฟไหมแก่ตุ้มลูกกาแฟไม่จน ن ا อยากเตหู